อนุพันธนาการติดตามเมื่อสติอยู่ที่แล้วคือจิตอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องนับแล้วก็หยุดนับเสียแล้วใช้สติติดตามลมหายใจไม่ให้ขาดระยะที่ว่าติดตามนี้มีใช่หมายความว่าตามไปกับลมที่เดินผ่านจมูกเข้าไปจุดกลางตรงหวัวใจลงไปสุดแถวสะดือ แล้วตามลมจากท้องขึ้นมาที่อกแล้วออกมาที่จมูกเป็นต้นลมกลางลมปลายลมถ้าทำอย่างนั้นทั้งกายใจจะปั่นป่วนวุ่นวายเสียผลวิธีติดตามที่ถูกต้องคือใช้สติตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบคือปลายจมูกหรือริมฝีปากบนนั่นแหละเปรียบเหมือนคนเลื่อยไม้ ตั้งสติไว้ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้เท่านั้นจะได้ใส่ใจฟันเลื่อยที่มาหรือไปสายตาปิดตามหัวเลื่อยกลางเลื่อยปลายเลื่อยก็หาไม่แต่ทั้งที่ตามองอยู่ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้แห่งเดียวฟันเลื่อยที่มาหรือไปเขาก็ตรหนักรู้และโดยวิธีนี้งานของเขาก็สำเร็จด้วยดีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน เมื่อตั้งสติไว้ที่จุดลมกระทบไม่สายใจไปตามลมที่มาหรือไปก็รู้ตระหนักถึงลมทั้งที่มาและไปนั้นได้และโดยวิธีนี้การปฏิบัติจึงจะสำเร็จในระยะนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบางท่านนิมิตจะเกิดและสำเร็จอั ป, ปนาสมาธิโดยเร็วแต่บางท่านจะค่อยเป็นค่อยไป คือตั้งแต่ใช้วิธีนับมาลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร่างกายผ่อนคลายสงบเต็มที่ทั้งกายและใจรู้สึกเบาเหมือนดังตัวลอยอยู่ในอากาศเมื่อลมหายใจที่หยาบหมดไปแล้วจิตของผู้ปฏิบัติจะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจที่ละเอียดเป็นอารมณ์อยู่แม้นิมิตนั้นหมดไปก็ยังมีนิมิตแห่งลมที่ละเอียดกว่านั้นอยู่ในใจต่อๆไปอีก เรบเหมือนเมื่อเอาแท่งโลหะขคอะกังสะา ا หรือเคาะระฆังให้มีเสียงดังขึ้นฉับพลันจะมีนิมิตคือเสียงแววเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจไปได้นานเป็นนิมิตเสียงที่หยาบแล้วละเอียดเบาลงไปลงไปตามลำดับแต่ถึงตอนนี้จะมีปัญหาสำหรับกรรมฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะกล่าวคือ แทนที่ยิ่งกําหนดไปอารมณ์จะยิ่งชัดมากขึ้นเหมือนกรรมฐานอื่นแต่สําหรับกรรมฐานนี้ยิ่งจเจริญไปลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนไม่รู้สึกเลยทําให้ไม่มีอารมณ์สําหรับจับหรือกําหนดเมื่อปรากฏการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านแนะนําว่าอย่าเสียใจอย่าลุกเลิกไปเสียพึงเอาลมกลับมาใหม่ วิธีเอาลมคืนมาก็ไม่ยากไม่ต้องตามหาที่ไหนเพียงตั้งจิตไว้ณจุดที่ลมกระทบตามปกตินั่นแหละมนาสิการคือกำหนดนึกถึงว่าลมหายใจกระทบที่ตรงนี้ไม่ช้าลมก็จะปรากฏและกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้นต่อเรื่อยไปไม่นานนิมิตก็จะปรากฏนิมิตนั้น ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันบางก็รู้สึกเหมือนปุยนุ่นบางเหมือนปุยฝ้ายบางว่างเหมือนสายลมบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวหรือเหมือนเม็ดมณีบ้างไขมุกบ้างเม็ดฝ้ายหรือเส้นไม้ซึ่งมีสัมผันธ์หยาบบ้างเหมือนสายสังวาลบ้างพวงดอกไม้บ้างเปเลวควันบ้างไข่ใหญ่แมงมุมบ้างแผ่นเมฆบ้างดอกบัวบ้าง ล้อรถบ้างตลอดจนเหมือนวงพระจันทร์หรือวงพระอาทิตย์ก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะนิมิตนั้นเป็นของเกิดจากสัญญาและสัญญาของคนแต่ละคนก็ต่างๆกันไปเมื่อได้นิมิตแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบเป็นการตรวจสอบไปในตัวการเข้าใจผิดต่อ น, นั้น ก็คอยตั้งจิตไว้ในนิมิตนั้นเรื่อยๆเมื่อนิมิตนี้คือปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนิวรก็ระ ง, งับสติมั่นคงจิตตั้งแนวเป็นอุปจารสมาธิผู้ปฏิบัติต้องพยายามรักษานิมิตนั้นไว้ซึ่งก็คือรักษาสมาธิด้วยนั่นเองโดยเว้นอสัพ ป, ปายะเสพสัพ ป, ปายะเจ็ด มันนาศิการบ่อยๆให้นิมิตเจริญงอกงามโดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาที่เรียกว่าอัปปนาโกศล ส, สิบเช่นประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเป็นต้นจนในที่สุดอัปปนาสมาธิก็จะเกิดขึ้นบรรลุปฐมฌาน ในการปฏิบัติตามในยะอัตถกะถาช่วงอนุพันธนามาจนถึงนิมิตรปรากฏนี้มีขั้นตอนแทรกอยู่ด้วยอีกสองคือพุสนาการกำหนดความกระทบแห่งลมหายใจของผู้ใช้สติตามลมซึ่งกำลังตั้งจิตจะให้เป็นอัปปนาและตั้งจิตกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกและทัปปนา การตั้งจิตไวในอารมณ์อย่างแน่วแน่จนเป็นอัปปนาโดยเฉพาะตอนต่อจากนี้ไปที่ว่าตั้งจิตไว้ในนิมิตรักษานิมิตไว้ประคับประคองจนบรรลุอัปปนาสมาธิเป็นขั้นตอนของธถ ป, ปนาล้วนๆหลังจากได้ฌานแล้วถ้าใช้กรรมฐานนิธรรมวิปัสสนาต่อไปก็เรียกว่าขั้นสลัลกขนา หมายถึงกำหนดคือกำหนดพิจารณาไตรลักษณ์จนในที่สุดก็ถึงมรคเรียกว่าเป็นวิวัตนาคือหมุนออกและบรรลุผลเรียกว่าเป็นปราริสุทธิคือหมดจดจากกิเลสแล้วจบลงด้วยวิปัสนาคือย้อนดูคือพิจารณามรคผลที่ได้บรรลุ ได้แก่ปัจจเวขณะนั่นเองนับตั้งแต่ขั้นานาถึงจบสิ้นเป็น8ปดขั้น